จากการศึกษาจรรยปิดกทำให้นึกถึงคำที่เท้าสกกระก่าวสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมหาโควินทสูตรเท้าส ก, กะเทวราชกล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้พระองค์นี้ทรงปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนจำนวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาสักเพียงไรเราไม่พิจารณาเห็นศาสดาที่ปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนจํานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตไม่ว่าจะเป็นส่วนในปัจจุบันนี้เลยนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้นะันพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์นี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ อ, <bidding S 2> อความสุขเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกจริยาทั้งหมดที่พระองค์ทรงประพฤตินะนะจริยาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคคัมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐาน เมตตาอุเบกขาคุณธรรมทั้งปวงเหล่านี้พระองค์ปฏิบัติเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากสิ่งที่พระองค์กระทำทั้งหมดแม้ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดที่พระองค์กระทำก็ทำเพื่อความสุขแก่ชาวโลกที่พระองค์ทนทุกทั้งหมดความทุกเหล่านั้นที่พระองค์ทนก็เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเนี่ยนะเพื่อถามว่าโลกชาวโลกเหล่าไห น, นชาวโลกที่เป็นเวนยสัตว์ทั้งหลาย คือชาวโลกที่พระองค์พอจะสงเคราะห์ได้นะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่พระองค์พอจะสงเคราะห์ได้เหมือนแสงสว่างดวงอาทิตย์ก็มีประโยชน์แก่ชนผู้ตาสว่างอันนี้ประโยชน์ตรงๆแต่ก็เป็นประโยชน์แก่คนตาบอดโดยอ้อมนะโดยอ้อมเพราะว่าเมื่อคนตาดีมีแสงสว่างก็ไม่เดินชนกับคนตาบอดอันนั้นก็ชื่อว่าประโยชน์ของคนตาบอดที่ควรจะได้รับฉันใดพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเกิดขึ้นในโลก แสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัตว์เหล่าอื่นก็ถือว่าได้รับประโยชน์ไม่ใช่น้อ ย, อยนะก็คือประโยชน์เป็นอันมากนั่นเองจากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทําให้มีบุคคลผู้มีสารณะเนี่ยนะคำว่ามีสารณะเนี่ยก็คือเป็นคนที่จากเคยกําพร้ากลายเป็นผู้ที่ไม่กําพร้าไม่มีเกาะมามีเกาะจากไม่มีที่พึ่งมามีที่พึ่ง ไม่มีที่ระลึกถึงมามีที่ระลึกถึงนะไม่มีที่ไปในเบื้องหน้าก็มีที่ไปในเบื้องหน้านะเคยหันหันหน้าเข้าไปหาทุกทษก็หันหน้ามาหาประโยชน์นะเคยปฏิบัติผิดก็มาดำรงอยู่ในความปฏิบัติชอบนะเคยนับถือคนเลวก็หันมาบูชาคนดีเป็นต้นก็มีการปฏิบัติอยู่ในศีลมีการฟังธรรมมีการให้ทานมีการประพฤติคุณงามความดีเอกลายประการ และตลอดจนถึงการปฏิบัติอยู่ในสมถะวิปัสนาบรรลุมักผลตรัสรู้อริยสัจตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นความดีทั้งมวลเหล่านี้ก็เกิดจากพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกโสดาปติมักสกทาคามีมกักอนาคามีมกักอรหัตตมักจึงมีขึ้นอริยผลทั้งหลายจึงมีขึ้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลก วิชาสามอภิญยาหวิโมก8ปฏิสัมพิธาสี่เป็นต้นจึงมีขึ้นในโลกวันการที่เรามาศึกษาข้อปฏิบัติที่พระองค์กระทำเพื่อให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นลาภของเราเหมือนกันเป็นการได้ดีของเราทั้งหลายที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณเห็นป่านนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจในปุพะจรยาคุณข้อปฏิบัติที่พระองค์ปฏิบัติจนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราทรรู้คุณมากเท่าใดเราก็จะทราบเชิงในพระอรหันตคุณเป็นต้นฉะนั้นเมื่อเราทราบซึิงในอรหันตคุณเป็นมากเพียงใดเราก็จะเข้าใจในคําสอนรู้วัตถุประสงค์ของคําสอนมากขึ้นเท่านั้นนะเราก็เข้าใจในผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยนั้นพระธรรมวินัยที่พระองค์บัญญัตินั้นก็เพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อดับทุกเนี่ยนะเพื่อความพ้นทุกข์ พระธรรมวินัยนั้นเป็นคําสอนที่เป็นนิยานิกธรรมเป็นคําสอนที่นําออกจากทุก์ล้วก็มาดูข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติของพระองค์ที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเป็นเครื่องช่วยให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้ารุรุมิขจริยา ข้อ16หน้า299พระองค์เล่าให้ภาษาริบทฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระยาเนื้อเชื่อว่า ร, รู้มีขนสีเหลืองคล้ายหลอมด้วยทองคำประกอบด้วยศีลอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งก็เป็นเนื้อเรียกว่าเนื้อทองนะกวางทองนั่นเองเราเข้าไปอาศัยอยู่ณประเทศน่ารื่นรมเป็นรัมณียสถานสงัด เงียบปราศจากมนุษย์เป็นที่ยินดีแห่งใจใกล้ฝังแม่น้ำคงคาในครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งถูกเจ้านี่ทวงถามจึงกระโดดลงในแม่น้ำในกระแสน้ำข้างเหนือด้วยคิดว่าเราจะเป็นหรือจะตายก็ตามทีเขาถูกกระแสน้ำพัดไปในแม่น้ำใหญ่ตลอดคืนตลอดวัน ร้องให้คร่ำควรวญขอความช่วยเหลือลอยไปในถ้ำกลางคงคาเราฟังเสียงของเขาผู้ร่ําให้คร่ำควรวญขอความช่วยเหลือแล้วไปยืนอยู่ที่ฝั่งคงคาได้ถามว่าท่านเป็นใครเขาอันเราถามแล้วได้แจ้งเหตุของตนในการนั้นว่าเราเป็นผู้ถูกเจ้านี่ทําให้สะดุ้งกลัวจึงเล่นมายังมหานาทีนี้ เราว่าคนลอยน้ำก็บอกไปเราคือกวางทองก็ทำความการุณาแก่เขาสละชีวิตของเร า, ว, าเว่ายน้ำไปน้าไปนาเขามาในเวลากลางคืนข้างแรมเรารู้การว่าเขาหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้าแล้วได้กล่าวกับเขาดังนี้ว่าเราจะขอพรกับท่านสักข้อหนึ่งคือท่านอย่าบอกว่าเราเอบอกเราแก่ใครๆ คือท่านมาเห็นเราแล้วท่านไม่ต้องไปเล่าเรื่องของเราให้ผู้ใดทราบนะชายคนนั้นพอไปกลับไปพระนครแล้วพระราชาตรัสถามจึงกราบทูลเพราะต้องการทรัพย์เขาได้พาพระราชาเข้ามายังที่อยู่ของเรากราบทูลเหตุการณ์ทุกอย่างแด่พระราชานะก็คือกวางทองก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทราบพระราชาทรงสับคํคำของเราแล้วสอดธนู ส อ, สอนลูกศรจะยิงบุรุษนั้นพระองค์ตรัสว่าเราจะฆ่าคนลา ม, มกผู้ประทุสร้ายมิตรเสียในที่นี้แหละเราตามรักษาคนประทุษรายมิตรโดยมอบตนของเราถวายว่าข้าแต่มหาราชาขอได้ทรงโปรดงดก่อนเถิดพระเจ้าค่าข้าพระบาทจะกระทําตามพระราชประสงค์ของพระองค์ เราตามรักษาศีลของเราไม่ใช่เราตามรักษาชีวิตของเราคํานี้ไพเราะ Members ที่สุดในทั้งหมดเนยนะครับเราตามรักษาศีลของเราไม่ใช่เราตามรักษาชีวิตของเราก็คืออะไรคือว่าศีล น, นี้เป็นบารมีชีวิตไม่ใช่ตัวบารมีเพราะเราตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษาชีวิตในการนั้นเราเป็นผู้มีศีลเพราะเหตุแห่งโพธิญาณนั่นเองชนี้แหล มันก็เป็นพยานเนื้อที่มีศีลนะนเป็นพยานเนื้อที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณคือศีลเมื่อท่านตั้งอยู่ในศีลศีลที่ท่านกระทาในตอนนั้นก็ผลิดผลให้ได้โพธิญาณในครั้งนี้บทว่าปรมศสีรสมาหิโตตั้งมั่นอยู่ในศีลอันสูงสุดพยานเนื้อ เป็นเนื้อที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นเนื้อที่ตามรักษาศีลเป็นเนื้อที่ดํารงอยู่ในคุณคือศีลอธิบายว่าศีลบริสุทธิ์และมีจิตตั้งมั่นหรือจิตตั้งมั่นโดยชอบในศีลอันบริสุทธิ์คนที่ศีลดีเนี่ยนะไม่มีความผิดพลาดทางกายและวาจาคนที่ไม่มีความผิดพลาดทางกายและวาจาเนี่ยนะ จิตใจตั้งมั่นโดยไม่ต้องขอร้องโดยไม่ต้องอ้อนวอนโดยไม่ต้องเกลียดกล่อมเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีความผิดให้ไม่สบายใจไม่มีเหตุการณ์ให้ไม่สบายใจแต่ที่สำคัญศีลอ น, นั้นจะต้องรักษาทั้งเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลและอวีติกมะศีลจึงจะได้คุณธรรมอันนี้แต่ถ้าวิรัตศีลวิรัตอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคือเจตนาที่เว้นจากการ ประพฤติผิดอย่างเดียวไม่พอต้องมีเจตนาในการปฏิบัติด้วยมีทั้งเจตสิก ค, คืออะโลพาอะโทสะและมีสัมมาทิฐิมีอวีติกมะมีสังวร น, นะทั้งศีลสังวรเป็นต้นอย่างดีการที่มีคุณธรรมตั้งมั่นอยู่ในเจตนาศีลเจตสิกศีล ส, สังวรศีลอวีติกมะศีลตั้งอยู่ในคุณธรรมคือศีลเหล่านี้จิตย่อมตั้งมั่นโดยชอบและโดย ถูกต้องเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนใจเพราะว่าศีลที่เป็นกุศลนำมาซึ่งอวิปปิสารคือความไม่เดือดร้อนใจไม่ลำบากใจไม่เศร้าใจไม่หมองใจอวิปปิสารก็เป็นเหตุให้เกิดความปราโมดปราโมดก็เป็นเหตุให้เกิดปีติเกิดความเอิบอิ่มความปราบเริ่มใจความอิ่มใจความสบายใจความสุขทางใจเพราะนั้นปราโมดก็นำมาซึ่ง ปีติปิติก็นำมาซึ่งปัสสัตทีความสงบระงับความกวนกวายทางกายและจิตใจทั้งจิตและเจตสิกเนี่ยนะเพราะเมื่อปัสสัตทิก็ทําให้จิตตั้งมั่นผู้ที่ทําอย่างนี้ได้ก็เนื่องจากมีความสุขในศีลเป็นความสุขที่เกิดจากความไม่มีโทษเป็นความสุขที่ไม่มีอมิตเป็นความสุขที่ปราศจากความเร่าร้อนเป็นความสุขที่ปราศจากทุกโทษภัยทั้งหลายเพราะว่าผู้มีศีลดี จิตย่อมตั้งมั่นโดยชอบและก็โดยถูกต้องจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละที่เป็นเหตุไกลให้พิจารณาโลกตามความเป็นจริงเห็นโลกกัสมุทัยตามความเป็นจริงเห็นโลกกนิโราามม ธ, ธาตามความเป็นจริงเห็นโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาตามความเป็นจริงก็สามารถที่จะรู้อริยสัจได้ตามความเป็นจริงเพราะว่าจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ผ่องแท้วจิตที่ตั้งมั่นไม่วันไหว น้อมไปเพื่อที่ทิวิสุทธิเป็นต้นก็เป็นไปได้โดยสะดวกผัสสะพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยนะแม้กระทั่งท่านเป็นพยาเนื้อท่านก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมคือศีลที่ท่านสามารถรักษาศีลได้ก็เนื่องจากว่าท่านอบรมอริยคุณมานานท่านอบรมศีลอันเป็นอริยะมานานศีลอันเป็นอริยะแปลว่าศีลที่ไม่มีโทษผัสสะอัธยาศัยในการอบรมศีลที่ไม่มีโทษเป็นมานาน ท่านเป็นสัตว์แม้กระทั่งเป็นกวางท่านก็สามารถดำรงมั่นคงมั่นอยู่ในคุณคือศีลกล่าวถึงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านเกิดในกำเนิดพยาเนื้อชิอวรูรูผิวในร่างกายของเนื้อนั้นนะมีสีเหมือนแผ่นทองคำที่เผาแล้วขัดเป็นอย่างดีเท้าทั้งศีดุจฉาบด้วยครั้งนักแปล ว, ว่าเท้าแดงหางดุจหางจามรีมีเขา เขานี่สีเหมือนพวงเงินก็เขาสีขาวดวงตานี่ดุดก้อนแก้วมันีที่ขัดดีแล้วเขาบอกว่าตาดุดตาเนื้อนะถ้าค่าตาเนื้อก็ถือว่าเป็นตาที่งดงามเป็นดวงตาที่ปราศจากความดูร้ายเป็นดวงตาที่เรียกอะไรนะดวงตาที่เซื่อและดวงตาที่ใสแล้วก็บริสุทธิ์อยนะปากก็อะไรปากดุดลูกคลี่หนังหุ้มผ้ากำพลสีแดงสอดตั้งเอาไว้ือ ลูกคลีนะปากเนี่ยดูดลูกคลีหนังเนี่ยหุมผ้ากางพลสีแดงสอดตั้งไว้เนื้อนั้นละความคลุกคลีประสงค์จะอยู่อย่างสงบจึงทิ้งบริวารอยู่แต่ผู้เดียวเท่านั้นสังเกตดูอัธยาศัยแม้ท่านเป็นเดราชาณท่านก็น้อมไปเพื่อกายวิเวกเนี่ยนะน้อมไปเพื่อที่จะอยู่แต่ผู้เดียวในป่าใหญ่ที่สพรั่งไปด้วยดอกไม้บาน ปนต้นสาละหน้ารื่นรมใกล้แม่น้ำคงคาก็เป็นดอกไม้หลากหลายนะก็ธรรมดาป่าก็เต็มไปด้วยดอกไม้ได้หลายประเภทด้วยกันดังที่พระองค์เล่าว่าเราเข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศที่น่ารื่นรมเป็นรมณียสถานสงัดเงียบปราศจากมนุษย์เป็นที่ยินดีแห่งใจใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคา อธิบายศัพ์นิดหน่อยว่ารมณีเยเนี่ยนะก็คือรมณียสถานทำให้เกิดความยินดีแก่ชนผู้เข้าไปในที่นั้นเข้าไปในป่าแล้วก็สบายใจเนี่ยนะเพราะงดงามไปด้วยป่าหนาทึบมีกิ่งก้านสาขาปกคลุมล้วนแล้วไปด้วยดอกไม้ผลไม้และหน่อไม้หมูนกนานาชนิดส่งเสียงร้องเสงแซ่รุ่งเรืองไปด้วยต้นไม้เถาวัลย์และป่าล้าอย่างโดยมากก็มีต้นมะม่วง ต้นสาระไพรสนประดับเนี่ยนะไทรสนก็คือต้นไม้ไม่ว่าต้นสนเป็นต้นเนี่ยนะเป็นคล้ายมะกลมไม้ดอกไม้ประดับงดงามไปหมดบทว่ามนโนระเมก็คือเป็นที่ยินดีแห่งใจโดยเฉพาะของผู้ที่ต้องการความสงบผู้ที่ต้องการการยวิเวกหลีกเข้าไปอยู่ในในป่านั้นเนี่ยสบายเนี่ยนะมีความสุขทีนี้อาชายคนที่ลอยน้ำคือใคร มีเรื่องเล่ามาว่าเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งไม่ยอมให้บุตรของตนเล่าเรียนศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยคิดว่าลูกของเรานี่เรียนศิลปะแล้วจะลำบากานะก็เป็นเศรษฐีที่ไม่ฉลาดไม่ยอมส่งลูกเรียนหนังสือเพราะกลัวลูกจะลำบากก็ต้องไปคอยนับคอยบวกลบคูณหารคอยไปเรียนก็กลัวลูกจะเดือดร้อนเพราะการศึกษาใช่ไหมกลัวการเล่าเรียนก็เลยไม่ส่งลูกเรียน ลูกชายเศรษฐีคนนี้จึงไม่รู้อะไระไรนอกจากวิชาขับร้องประโคมดนตรีฟ้อนรำเคี้ยวกินและบริโภคร้องรำทำเพลงกระจายสตังเนี่ยเป็นที่เหลือไม่เป็นแม้แต่อย่างเดียวนะใช้เงินเป็นมากัหมเพราะว่าให้เท่าไหร่ก็ใช้ได้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนะก็เป็นกลุ่มลักษณะเนี่ยนะก็สมัยนี้มีไม่ใช่น้อยเลยส่งลูกเรียนวิชาดนตรีอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ต้องไปเรียนวิชาอย่างอื่นให้มัน เมื่อ ห, หรอกว่างั้นเรียนวิชาเต้นรำร้องรำทำเพลงกับวิชาเที่ยวห้าง ซ, ซื้อของใช้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็จับใจเมื่อบุตรเศรษฐีคนนี้เจริญวัยมารดาบิดาก็หาภริยาที่สมควรให้มอบทรัพย์ให้แล้วก็ถึงแก่กรรมคำว่าภริยาที่สมควรก็ดูสามีแบบนี้ภรยาจะแค่ไหนก็พอๆกันนั่นแหละ เรียว่าได้ได้เรียว่าได้สมน้ําสมเนื้อกันก็มาอยู่ด้วยกันบุตรเศรษฐีนี่ก็ห้อมล้อมไปด้วยนักเลงหญิงนักเลงสุราทําลายทรัพย์ทั้งหมดด้วยอบายามุกต่างๆเรียกว่าผลานเกลี้ยงเนี่ยนะกู้นี่ยืมสินในที่นั้นๆกู้มากๆเข้าก็ไม่สามารถจะใช้หนี้ได้เมื่อถูกเจ้าหนี้ทวงจึงคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยชีวิตของเรา เรานี่เกิดมาด้วยอัตภาพนั้นแม้อย่างนี้ก็เหมือนเป็นอย่างอื่นตายซะดีกว่าเหมือ น, นคนเคยรวยใช่ไหมพอเนี่ยหมดตัวหนี้สินท่วมก็เลยไปบอกพวกเจ้าหนี้นะบอกเจ้าหนี้ทั้งหลายว่าพวกท่านจงไปเอาใบกู้หนี้มาเพราะว่าพวกนี้ก็อะไรนะเวลากู้ก็ทําใบบัญชีกู้ใช่ไหมไปแปะโป้งมาถ่านไม่ออกแล้วก็หล่อ หลอกพวกเจ้านี้ว่าเรามีทรัพย์อันเป็นของตระกูลฝังไว้ที่แม่น้ําคงคาเราจะให้ทรัพย์นั้นแก่พวกท่านเจ้าหนี้ทั้งหลายก็ไปกับเขาก็เชื่อนะบุตรเศรษฐีทําเป็นบอกที่ฝังทรัพย์ว่าฝังทรัพย์เอาไว้ตรงนี้ฝังไว้ตรง น, งรงนี้ก็คิดว่าด้วยอาการอย่างนี้เราจะพ้นจากหนี้ก็เลยหนีไปกระโดดน้ําหรือว่าจะไปกระโดดน้ําให้มันตายซะเลยเนี่ยนะหมดเรื่องเรียกว่าอะไรนะจ่ายด้วยชีวิตใช่ไหมคิดจะจ่ายด้วยชีวิต บุตรเศรษฐีนั้นก็ลอยไปตามกระแสน้ำอันเชี่ยวนี่พอจะตายจริงๆเนี่ยคนกลัวตายก็เลยร้องขอความช่วยเหลืออย่างที่พระองค์เล่าว่าบุุษคนนั้นถูกเจ้านี่ทวงถามจึงกระโดดลงไปในแม่น้ำในกระแสน้ำข้างเหนือก็คือในด้านบนน่ะนะด้วยคิดว่าเราจะเป็นหรือตายก็ตามที เราถูกกระแสน้ำพัดไปในแม่น้ำใหญ่ตลอดคืนตลอดวันร้องให้คร่ำครวญขอความช่วยเหลือลอยไปในถ้มกลางแม่น้าคงคาพระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงของบุรุษนั้นร้องขอความช่วยเหลือในตอนเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงแว่วๆได้ยินเป็นเสียงมนุษย์ก็คิดว่าเรายังอยู่ที่นี้บุรุษนี้อย่าตายเลยเราจะช่วยชีวิตเขา ถ้าเรายังอยู่นะเขาต้องไม่ได้ก็เลยออกจากพุ่มไม้ที่นอนอยู่ในไปยังฝั่งแม่น้ํากล่าวว่าท่านบุรุษผู้เจริญท่านอย่า ก, กลัวเลยเราจะช่วยชีวิตท่านแล้วปลอบใจเดินฝากกระแสะแม่น้ําให้บุรุษนั้นขึ้นหลังไปยังไปถึงฝั่งแล้วก็พาไปยังที่อยู่ของตนบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ให้ผลไม้ก็ให้อาหารเนี่ยนะหาอาหารให้กินคือ เนื้ออาหารพวกผลไม้ที่เนื้อกินได้เนี่ยนะคนก็กินได้นะโดยรวมๆแล้วก็ผลไม้ที่ที่เนื้อกินก็มนุษย์ก็กินถ้าถ้าสังเกตดูก็กินผลไม้กลุ่มตระกูลเดียวกันล่วงไปสองสาวันก็กล่าวกับบุรุษนั้นว่าบุรุษผู้เจริญเราจะพาท่านไปยังทางที่จะไปกรุงพาราณสีแต่ท่านอย่าบอกใครๆณนะที่โน้นว่ามีกวางทองอาศัยอยู่ โบสถ์นั้นก็รับปากว่าเจ้าฉันจะไม่บอกใครหรอกอนะไรไหรับปากรับคำเป็นอย่างดีอ่ะตรงนั้นก็เลลึกถึงคุณก็ได้ใช่ไหมโอ้ยขอบขอกขอบใจเลิศเกินไม่บอกใครหรอกมีกล่าวว่ามีสัญญาอะไรก็เซ็นให้หมดนะแต่ว่าจะทําตามหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งอ่ะพระโพธิสัตว์ให้เขาขี่หลังของตนอย่างลงในทางที่จะไปกรุงพาราณสีพอไปถึงเส้นทางนั้นก็กลับดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า เราฟังเสียงของเขาผู้ร้องให้คร่ำครวญขอความช่วยเหลือไปยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำขขาขงคาได้ถามว่าท่านเป็นใครเขาได้บอกถึงการกระทําของตนว่าข้าพเจ้าถูกนี่ถูกเจ้านี่ทำให้สะดุ้งกลัวจึงวิ่งมายังมหานาทีนี้เราจึงช่วยเหลือเขาสละชีวิตของเราว่ายน้าไปนำเขามาในเวลากลางคืนข้างแรือเรามืดตื้นนั่นแหละ แต่ว่าไอ้แม่น้ําเชี่ยวเชี่ยวกลางคืนเนี่ยนะมืดมดเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่ามันไม่ได้ลอยมาแต่น้ําไม่ได้มีแต่น้ํามันมีทรงมาด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่ง น, นะข้ามน้ำํำพอเราข้ามน้ําเสร็จไม่ ก, กี่นาทีเนี่ยทรงมาวิ้ว ว, วิวิวมาเกือบจะท่าท่าอะไรนะถ้ารออีกสินาทีจูติไปแล้วแบบนี้เพราะว่าท่อนทรงมันลอยมาด้วยนะพวกท่อนไม้ท่อนใหญ่ๆท่อนเนี่ยนะลอยมาไอ้ข้ามน้ําข้ามไปข้ามมานี่ก็เกือบตายเหมือนกัน แต่ว่าเราก็ข้ามก่อนที่มันจะมุงยา ม, มาถึเนาะแต่นี่ก็ถือว่าอาการข้ามน้ำในยามค่าคืนนี่ถือว่าเสียงมากโดยเฉพาะวันไหนฝนตกฝนตกตหนักแล้วก็กบน้ําดำคลักและใช่เลยนะเราเนี่ยรู้ว่าเขาหายเหน็ดเหนื่อยแล้วก็กล่าวกับเขาดังนี้ว่าเราจะขอพรกับท่านสักข้อหนึ่งคือท่านอย่าบอกเราแก่ใครๆดังนี้ คำว่าตัสสะกตวานการณยังจะยิตตวามะมะชีวิตตังเราช่วยเหลือเขาก็ด้วยความสงสารมากเราจึงสละชีวิตของเราแก่บุรุษนั้นนะสละชีวิตเพื่อจะช่วยเขารู้ว่าว่ว่าการช่วยเขาไม่รู้ว่าจะเป็นหรือจะตายแต่ก็สละไปก่อนหลังจากนั้นก็เอามาเขามาเลี้ยงเป็นอย่างดีใช่ไหเสร็จแล้วก็ขอพรเขา เราขอพอรกับท่านอย่างหนึ่งว่าท่านอย่าบอกใครๆนะอย่าไปบอกแก่พระราชามาหามาของพระราชาว่ามีกวางทองอาศัยอยู่ณที่โน้นพูดถึงบุรุษคนนั้นวันนั้นก็เข้าไปในกรุงพาราณสีนั่นเองเอ่อืนนั้นนี่พระอัครมเหสีของพระราชาก็ทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์หม่อมฉั้นได้เห็นกวางทองแสดงธรรมแก่หม่อมชั้น หม่อมฉันเนี่ยฝันจริงกวางทองจะต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นหม่อมฉันใคร่จะฟังธรรมของกวางทองหากหม่อมฉันได้ฟังก็จะมีชีวิตอยู่หากไม่ได้ฟังหม่อมฉันก็จะไม่มีชีวิตอยู่อ๊ยพระราชาฟังนี่ก็เศร้าเลยนะพระราชาก็เลยปลอบใจพระอาคาระัคราเหสีและก็ตรัสว่าหากกวางทองมีอยู่ในมนุษย์โลกเธอก็คงจักได้ แล้วก็เรียกสั่งหาพรามตรัสถามว่าธรรมดากวางทองนี่มีอยู่หรือพวกอมตก็กราบทูลให้ฟังว่ามีอยู่แต่ว่าทรงเอาถุงทรัพย์ึ่งพันใส่ไว้ในหีบทองคํายกขึ้นวางที่คอช้างแล้วก็ตีกลองเที่ยวเปล่าประกาศว่าผู้ใดบอกกวางทองได้เราจะให้ถุงทรัพย์นี้พร้อมด้วยช้างแก่ผู้นั้นเรียกว่าอุบายวิธีะนะวิธีถ้าจะจะได้กวางทองจริงก็ต้องเอา ถุงซับหนึ่งพันใส่ในหีบแล้วก็ให้ขี่ช้างาให้ให้ช้างไปถ้าถ้าผู้ใดบอกได้ก็เอาไปทั้งหมดนั่นแหละพระราชามีพระประสงค์จะให้แม้มากกว่านั้นจึงรับสั่งให้จ่รึกบ้านสวยลงในแผ่นทองคําแล้วประกาศทั่วพระนครว่าเราให้บ้านสวยให้สตรีที่ตกแต่งแล้วอย่างสวยงามแก่ผู้บอกมรึกที่อุดมกว่ามารึกทั้งหลายถ้าใครบอกนึ้กวางทองให้แก่เราได้ เราจะให้ทั้งบ้านสวยให้สตรีให้กว่าถือว่ายศศักดิ์ใหญ่เลยแหละแม่แต่ว่าพูดถึงกันนะคนทั่วๆไปเอบอกที่อยู่แก่กวางทองเนี่ยพรที่ขอไอ้กวางทองขอไว้นี่ก็เราว่าคิดดูมั่งกันนะขอเวลาคิดหน่อยอ น, น, นะของเราจะอยู่กลุ่มไหนเนาะคิดแบบบุรุษนี้หรือเปล่าโรงเรื่องเราจะอยู่กลุ่มไหนเนี่ยเสียชีพอย่าเสียสัตว์หรือว่า เสียสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพไปก่อนเงี้นครั้งนั้นเศรษฐีบุตรพอได้ฟังอย่างนั้นก็เข้าไปหาราชบุรุษแล้วพูดว่าเราจักทูลมรึกเห็นป่านนั้นแด่พระราชาท่านทั้งหลายจงนําเราเข้าไปเฝ้าพระราชาเถิดพวกราชบุตรก็นําเศรษฐีบุตรคนนั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วทูลความนั้นให้ทรงทราบพระราชาตรัสถามว่าเจ้าได้เห็นจริงหรือเขาก็ทูลว่าขอเดชะจริงพระเจ้าข่าขอพระองค์ จงมากับข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์จักให้ทอดพระเนตรมรึกทองอันนั้นกวางทองนะพระราชาก็ให้ราชบุรุษนั้นพร ะ, ะราชาให้บุรุษคนนั้นเป็นผู้นําทางเสด็จไปถึงที่นั้นด้วยบริวารใหญ่ให้พวกราชบุรุษถืออาวุธล้อมสถานที่ที่บุรุษผู้ทําลายมิตรนั้นชี้ให้ดูโดยรอ บ, รบไปเล่าอธิบายสถานที่ให้หมดะนะบุรุษผู้ทําลายมิตรคนนั้น แล้วพระราชาก็ตรัสว่าพวกท่านจงทำเสียงให้ดังพระองค์เองก็ประทับยืนณนะที่ส่วนข้างหนึ่งกับชนเล็กน้อยแม่บุรุษนั้นก็ได้ยือนอยู่ไม่ไกลพระโพธิสัตว์เนี่ยพอฟังเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียงกองพลใหญ่รู้แล้วว่าคนเนี่ยมาเยอะภัยของเราคงจะเกิดจากบุรุษนั้นเป็นแน่คานวณเหตุการณ์แล้วมองออกเลยว่าเจ้าคนนั้นแน่นอน จึงลุกขึ้นมองดูชนทั้งสิ้นคิดว่าเราจะปลอดภัยในที่ที่พระราชาประทับอยู่จึงเดินมุ่งหน้าเข้าไปหาพระราชา <c oughs> พระราชาทอดพระเนตรเห็นกวางทองนั้นเดินมาจึงคิดว่ากวางทองนี้มีกำลังดุดขชฉาสคงจะมาทำร้ายเราเพราะกวางนี่มันมีเขาใช่ไห ม, มาถึงถ้ามาขีดเราก็ตายแน่จึงสอดลูกศอนเล็งตรงไปยังพระโพธิสัตว์ด้วยคิดว่า หากมรึกนี้กลัวหนีไปเราจะยิงทำให้ทุรพลภาพแล้วก็จับจะยิงให้หมดกําลังนะแล้วจะได้จับได้ง่ายๆแต่ก่อนที่จะถูกยิงพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าข้าแต่พระมหข้าแต่มหาราชผู้ประเสริฐขอทรงโปรดรอก่อนอย่าเพิ่งยิงข้าพระองค์เลยใครบอกเรื่องนี้แด่พระองค์ว่ามีเนื้ออยู่ณที่นี้พระเจ้าค่า พระราชาก็ทรงยับยั้งด้วยถ้อยคำอันไพเราะของมรึกนั้นฟังเสียงเพราะก็เลยหยุดก่อนพระองค์ก็ลดคันสอนลงประทับยืนด้วยความเคารพแม้พระโพธิสัตว์ก็เข้าไปหาพระราชาได้ทำปฏิสันฐานอย่างละมุนละม่อมเรียกว่าด้วยความอ่อนโยนนะนะมหาชนก็วางศัพทาวุธแวดล้อมพระราชาดังที่พระองค์ตรัสว่าเขาไปยังพระนครแล้วพระราชาก็ พระราชาตรัสถามถึงจึงกราบทูลเพราะต้องการทรัพย์เขาได้พาพระราชามายังที่อยู่ของเราเขาคือใครก็บุรุษผู้ประทุสร้ายมิตรคนนั้นนั่นแหละอธิบายว่าผู้ใดประทุสร้ายมิตรเป็นบุรุษชั่วเราสละชีวิตช่วยให้พ้นไปจากเหยื่อของอให้พ้นจากเป็นเหยื่อศักดิ์พาไปกรุงพาราณสีบอกเราแด่พระราชาเพราะตนต้องการทรัพย์ ครั้นบอกแล้วบุรุษชั่วนั้นเป็นผู้นำทางเพื่อให้พระราชาจับเราจึงพาพระราชามายังที่อยู่ของเราพระโพธิสัตว์ทูลถามพระราชาอีกด้วยเสียงอันไพเราะดุดสั่นกระดิ่งเนี่ยนะคว่าเหมือนระฆังเงินนะเนเหมือนเสียงระฆังคว่า เ, เสียงดังเหมือนกระดิ่งทองคำว่าใครหนอทูลเรื่องนี้แด่พระองค์ว่าณนะที่นี้มีมรด ที่อาศัยอยู่ขณะนั้นบุรุษชั่วนั้นก็หลีกไปหน่อยหนึ่งแล้วยืนในที่พอฟังได้ยินพระราชาก็ตรัสว่าผู้นี้บอกท่านแก่เราแล้วพระองค์ก็ชี้ไปที่บุรุษชั่วคนนั้นบุรุษชั่วคือบุรุษผู้ประทุสร้ายมิรพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าได้ยินว่าคนบางพวกในโลกนี้ไม่พูดความจริงไม้ลอยน้ำยังดีกว่า คนบางพวกไม่ดีเลยเรียกว่าไม้ลอยน้ําเอาไม้ขึ้นบกมาทําฟืนยังจะดีกว่าช่วยบุรุษชั่วขึ้นมาจากน้ําคล้ายๆกับอะไรที่ในในสูตรหนึ่งเขาบอกว่าไม้เท้าผู้เท่าก็ยังดีกว่าพวกลูกเต้าอักตันยูเขาบอกงั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าเก็บท่อนไม้ที่มันลอยน้ําก็ยังดีกว่าเก็บคนลอยน้ํามาเพราะว่าคนบางคนเนี่ยไม่ดีเลยเฉพาะบางคนนะ พระราชาพอฟังอย่างนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชถามว่าท่านรู้มิขราชบรรดามรึกนกมนุษย์ท่านติเตียนอะไรมรึกให้ภัยใหญ่กับเราเพราะฟังมนุษย์นั้นบอกพระโูธิสัตว์ก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ไม่ติเตียนมรึกไม่ติเตียนนกนะไม่ได้ด่านกด่านเนื้อที่ไหนหรอกแต่ข้าพระองค์ติเตียนมนุษย์ก็กล่าวว่าข้าแต่ราชา ข้าพระองค์ช่วยยกบุรุษใดซึ่งลอยนะลอยอยู่ในน้ำที่มีน้ำมากมีกระแสเชี่ยวขึ้นมาได้ภัยคือเรื่องที่น่ากลัวทั้งหมดมาถึงข้าพระองค์เพราะบุรุษนั้นเป็นต้นเหตุการสมาคมกับสัต์บุรุษเป็นทุกข์แท้การเกี่ยวข้องกับคนผ่านแม้แต่เจอกันแค่ครั้งเดียวก็นำความเดือดร้อนมาให้นะอย่างที่มงคลเราสวดการไม่คบคนพ่านทั้งหลายก็เนื่องจากว่า สมาคมกับคนผ่านแม้เพียงครั้งเดียวก็นำปัญหานำทุกโทษนำเรื่องราวที่เลวร้ายมาให้โดยประการทั้งปวงดันั้นถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีสติปัญญาพอจะแก้ปัญหาได้อะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นการสมาคมกับอาสัตบุรุษทั้งหลายจึงเป็นความทุกแท้อธิบายว่าเอกัตจิโยคือคนบางคนประทุษร้ายมิตรเป็นบุรุษชั่วแม้ตกลงไปในน้ำ เมื่อมีผู้ช่วยขึ้นมาก็ไม่ประเสริฐเลยเนี่ยนะก็คือบางคนเนี่ยนะเขาเขาบางคนเนี่ยในในพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันพวกคนเลวทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็ชวนคนเลวเนี่ยไปเที่ยวน้ําแล้วก็แกล้งผลักให้มันลอยไปกับน้ําจะได้ตายซะทีนี้ใครที่ไปช่วยคนเหล่านั้นอ่ะเดือดร้อนทั้งหมดอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะตอนที่เป็นเนื้อท่านก็ช่วยพระเทวทัตตอนที่เป็นฤูสีท่านก็ช่วยพระเทวทัตทุกครั้งเดือดร้อนหมดเนี่ยนะ บทว่ามิคานังคือพระราชาถามมาดูก่อนรูรร้มิคราชบรรดาเนื้อนกหรือมนุษย์ท่านติเตียนใครตะโตนิทานนังมิคราชทูลแกพระราชาว่าข้าแต่มหาราชบุรุษใดที่พระองค์แสดงแก่ข้าพระบาทบุรุษนั้นลอยไปในแม่น้ำร้องคร่ำครวญขอความช่วยเหลือในตอนเที่ยงคืนข้าพระองค์ช่วยยกเขาขึ้นจากแม่น้า ภัยคือเรื่องราวที่น่ากลัวนี่มาถึงแก่ข่าพระองค์เพราะบุรุษนี้เป็นต้นเหตุชื่อว่าการสมาคมกับอาศ ร, รบุรุษเป็นทุกแท้ทุกทั้งในโลกนีแ้และก็ทุกทั้งในโลกหน้านี้นี่ยังไม่ได้ฟังคําสอนของอาศ ร, รบุรุษนะถ้าฟังคําสอนเนี่ยถ้าสมมติเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะเอกเจอคนนี้เนี่ยที่หมดตัวเพราะนักเล่นการพานันเนี่ยถ้าไปเจอคนอื่นแล้วมันทําไงมันก็ไปสอนการพานันนะ ถ้าดีนะว่าถ้าเป็นแบบคนช่วยคนเนี่ยนะสอนคนนี้ช่วยคนนี้ขึ้นมาแล้วชายคนนี้ก็จะสอนเรื่องการพ น, นันเรื่องกินเหล้าเมายาเรื่องความชั่วร้ายทั้งหลายก็ก็เหมือนกับว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยนะนางนางกุลทนเกสีเนี่ยไปช่วยชีวิตโจรพอช่วยชีวิตโจรเนี่ยนะนิสัยโจรก็คือโจรวันยังค่าก็ไม่ได้คิดว่าเออผู้นี้เป็นผู้มี คุณต่อเราเป็นผู้ที่รักเราพักดีต่อเราในที่สุดก็วางแผนฆ่าคนที่ช่วยเพราะว่านิสัยโจรก็คือนิสัยโจรมันโดยรวมๆเขาบอกว่าการสมาคมกับคนกับอาศรบุรุษเป็นทุกแพ้พวกอาศรบุรุษก็คือพวกที่มักล่วงอกุศลกรรมบทสิบเพัาะถ้าเกี่ยวข้องสมาคมกับเขาเหล่านั้นเขาก็จะพาเราไปล่วงอกุศลกรรมบท10บจนได้เนี่ยนะหรืออย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องอะนะประทำปานาติบาศกับเราเป็นต้น เพราะอาสัตรษทั้งหลายเป็นคนเลวนี้อาศัตรุษทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกก็นำทุกข์นำโทษนำพิษภัยทั้งหลายให้แก่คนหาประมาณไม่ได้สรุปพระราชาพอได้ฟังดังนั้นแล้วก็ทรงพิโรธบุรุษชั่วนั้นโกรธก็สอนลูกสอนด้วยคิดว่าเจ้าคนนี้ไม่รู้จักผู้มีอุปการะคนมากถึงอย่างนี้ทําให้เกิดลําบาก เราจะยิงแล้วก็ฆ่ามันเสียนั่นนะคือพระราชานี่โกรธมากเลยเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มพระราชาทั้งหลายเป็นกลุ่มคนที่ต้องการคนพักดีกล่าวว่าต้องการคนซื่อสัตย์เนี่ยนะต้องการคนที่กระตันยูรู้คุณฉะนั้นพระองค์เนี่ยเลี้ยงเลี้ยงคนทั้งหลายทั่วไปก็หวังความกตันยูรู้คุณเป็นต้นเมื่อได้ฟังคําว่าคนอักตันยูเท่านั้นนะแหละกระโทสานี่กาเริบเลยนะโรคคือโทสานี่กำเริบจะฆ่าทิ้งซะเลย ดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้ภาษารีบุตรฟังในคาถาว่าเรากราบทูลเหตุการณ์ทุกอย่างแด่พระราชาพระราชาทรงฟังคำของเราแล้วก็สอนลูกสอนจะยิงบุรุษนั้นตรัสว่าเราจะฆ่าคนลามมกผู้ประทุษรายมิตรเสียในที่นีนะ้ก็คือคนนี้มันเกินไปไม่รู้จักอุปการะคนที่เขาช่วยชีวิตตัวเองเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยมาก็ยังไม่ระลึกถึงคุณของเขาเลยเนี่ยนะ เรียก ว, ว่าเป็นผู้มีปกติปทุศรายมิตรปรทุศร้ายผู้มีอุปการะแก่ตนหลายคนก็บอกว่าขนาดผู้มีคุณของเขาเขายัางปทุศรายได้ขนาดนั้นแล้วคนอื่นเขาจะเว้นหรือเนีย่ยนะเขบอกว่าขนาดอย่างบางคนบอกว่าขนาดพ่อแม่ของเขาเขายัางไม่เคารพแล้วเขาจะเคารพใครจริงเป็นต้นเนีย่ยนะก็ลักษณะนั้นนั่นแหละครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าบุรุษพานนี้อย่าได้พินาศไปเพราะอาศัยเราเลย พระโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ที่มีน้ําใจประกอบไปด้วยกรุณาก็คือประกอบไปด้วยกรุณาถึงเขาจะเลวก็คือลูกเราใช่ไหมอย่างอย่างที่ว่าบอกว่าคนที่มีน้ําใจในความเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อลูกเนี่ยนะประทุสร้ายในที่สุดก็คือลูกเราฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านเห็นสัตว์อื่นดุจบุตรของตนเนี่ยนะท่านท่านเป็นญาติของสรรพสัตว์ทั้งหมด พันถึงเห็นบุรุษชั่วคนนั้นก็บอกว่าเขาจะได้พินาศจะได้ชีพหายไปเลยก็เลยทูลว่าข่าแต่มหาราชขึ้นชื่อว่าการฆ่าคนพานก็ดีการฆ่าบัณฑิตก็ดีจะฆ่าใครก็ตามวินยูชนไม่สรรเสริญว่าเป็นคนดีคนที่ฆ่าเนี่ยนะจะฆ่าคนชั่วจะฆ่าคนเลวขึ้นชื่อว่าการฆ่าคนที่ฆ่าไม่ใช่คนดีที่แท้แล้ววินยูชนติเตียนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอพระองค์ยาฆ่าบุรุษ พ่านบุรุษคนเขาเหล่านี้เลยปล่อยเขาไปตามความพอใจเถิดขอพระองค์อย่าทรงให้เขาเสื่อมเสียจงทรงพระราชทานสิ่งของที่พระองค์ปฏิญาปฏิญญาให้แก่เขาว่าจากพระราชทานเถิดพระเจ้าค่าพระพุธทธศาสนี้คํานวณรู้เลยว่าพระราชาคงเรียกว่าตั้งใจจะปูนบําเหน็จปูนบํำนานเป็นต้นนี่แหละเขาจึงผ่านมาะนั้นพระองค์ว่าจะให้สิ่งใดแก่เขาก็ให้เขาไปเถอด พยานเนื้อก็กราบทูลต่อไปว่าอันหนึ่งข้าพระองค์จะนําสิ่งที่พระองค์เอ่อจะนำหรือจะทําสิ่งที่พระองค์ปรารถนาข้าพระองค์จะมอบตนแด่พระองค์ น, นะก็คือขอมอบตนนี้แด่พระองค์ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราตามรักษาคนผู้ประทุสร้ายมิตรแล้วก็ได้มอบตนของเราถวายแก่พระราชาว่าข้าแต่มหาราช ขอได้ทรงโปรดงดก่อนเถิดพระเจ้าค่าข้าพระองค์จะทําตามพระราชประสงค์ของพระองค์คือพระองค์เนี่ยนะมาเพราะต้องการข่าพระองค์ข่าพระองค์เนี่ยขอมอบถวายตนอันนี้แก่พระองค์นะข้าพระองค์จะทําตามความประสงค์ของพระองค์อธิบายว่า เราตามรักษาบุรุษนั้นผู้ประทุสร้ายมิตรเป็นบุคคลชั่วได้มอบอัตภาพของเราถวายแก่พระราชานั้นอธิบายว่าเราได้มอบตนถวายแด่พระราชาแล้วยับยั้งความตายของเขาผู้ตกอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระราชาเนี่ยนะอัธยาศัยของคนที่ไม่จองเวรยังไงก็ไม่จองเวรเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีอโทสะเป็นอัธยาศัยมีอัธยาศัยในการทําลาย โทสะท่านไม่ยอมให้โทสานี้กำเริบไม่จองเวรไม่ผูกเวรแม้แต่ว่าศัตรูจะตายก็ยังช่วยเหลือชีวิตของศัตรูเอาไว้เพื่อที่จะเขาจะได้พ้นไปจากความทุกข์แต่ว่าถ้ามองระยะใกล้ๆก็เหมือนกับว่าบุรุษพานนั้นจะประสบความสุขแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกผู้ใดใจเป็นกุศลกุศ ล, ลก็ให้ผลเป็นสุขผู้ที่สะสมอกุศลอกุศลก็ให้ผลเป็น ความทุกข์เหตุการณ์เฉพาะหน้าดูเหมือนจะสุขเหมือนจะสบายแต่ระยะยาวระยะไกลไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะระยะยาวจริงๆแล้วผู้ที่ประทุสรายมิตรไม่ประสบความเจริญโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงถึงประโยชน์ที่ทําการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันของพระองค์พระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาสุดท้ายต่อไปว่า ในครั้งเมื่อพระราชามีพระประสงค์จะฆ่าบุรุษผู้ประทุสร้ายมิตรเพราะอาศัยเราเราจึงสละตนถวายตนแด่พระราชาตามรักษาศีลของเรามิใช่ว่าเราจะตามรักษาชีวิตของเราข้อที่เราเป็นผู้มีศีลไม่ได้คํานึงถึงชีวิตของตนก็เพราะเหตุแห่งสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองก็ คงชัดเจนนะว่าตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษาชีวิตเนี่ยนะเพราะศีลเป็นบารมีชีวิตไม่ใช่บารมีชีวิตเป็นวิบากอันนั้นเป็นผลของกรรมเป็นกรรมมัชรูปแต่ว่าศีลเป็นกุศลธรรมเป็นคุณงามความดีเป็นคุณธรรมเครื่องนำออกจากทุกเป็นคุณธรรมเครื่องนำออกจากวัตะก็มุ่งที่จะรักษาศีลแต่ว่า อย่างว่าในโลกนี้น้อยคนนักที่จะเห็นว่าศีลคือสาระเนี่ยนะน้อยนักโดยที่สุดนี่หมาจะอะไรก็ช่างจอขอชีวิตไว้ก่อนใช่ไหมอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอชีวิตเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาในวันในวันหลังแต่นั่นไม่ใช่การรักษาชีวิตจียงอยู่เราอาจจะรักษาชีวิตสามารถฆ่าศัตรูได้แต่เราจะถูกฆ่าอีกกี่พบกี่ชาติเนอเนี่ยนะถ้ามองระยะยาวๆระยะไกลๆเนี่ยนะการฆ่าศัตรูก็คือฆ่าตัวเองใน อนาคตนั่นเองพระราชาเมื่อพระโพธิสัตว์สละชีวิตของตนยับยั้งความตายของบุรุษนั้นก็มีพระทัยยินดีก็ดีใจเนี่ยนะเขบอกว่าการครบกับบัณฑิตนี้ช่างดีแท้เมื่อคบแปบเดียวเนี่ยนะพระราชาเนี่สบายใจเลยนะมีความดีใจตรัสว่าไปเถิดเจ้าเจ้าพ้นจากความตายจากมือของเราด้วยความช่วยเหลือของมิขราชแล้วพระราชาทานทรัพย์ แก่บุรุษนั้นตามปฏิยารับปากไว้ว่าจะให้อะไรก็ยกให้ตามตามที่ได้บอกเอาไว้พระราชาก็ทรงอนุญาตพรตามความพอใจของพระโพธิสัตว์แล้วก็นำพระโพธิสัตว์เข้าไปสู่พระนครรับสั่งให้ตกแต่งพระนครและประดับพระโพธิสัตว์ให้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่พระเทวีพระมหาสัตว์แสดงธรรมด้วยภาษามนุษย์ไเร่แด่พระราชาและพระเทวีพร้อมทั้งราชบริสัท ด้วยโอวาทพระราชาด้วยทศพิตราชธรรมเนี่ยนะก็สอนโอวาทในการปกครองเป็นต้นสั่งสอนมหาชนหลังจากนั้นก็เข้าป่าเวดล้อมไปด้วยหมู่มฤตยู่อย่างสบายแม้พระราชาก็ดํารงอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทรงประทานอภัยแก่สรรพสัตว์พระองค์ก็บําเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า เศรษฐีบุตรในครั้งนั้นผู้ประทุษร้ายมิตรอัตตันยูก็คือพระเทวทัตนั่นแลนะเจ้าเก่านะพระราชาก็คือพระ อ, อ น, อนุ์รู้รู้มิตราราตก็คือพระโลกกนาตจริยานี้ก็ประกาศคูณานุภาพของพระโพธิสัตว์เป็นต้นว่าการละฝูงมฤกนะการละฝูงของมิตรคราชผู้ไม่ปรารถนา เกี่ยวข้องกับชนเพราะยินดีในความสงบอันนี้ท่านละความครุกคลีได้แม้แต่เกิดเป็นเนื้อทั้งหลายท่านก็ละ ก, การครุกคลีการได้ยินเพียงเสียงเศร้าโศกของบุรุษผู้ข้าครวนขอความช่วยเหลือรออยู่ในแม่น้ําในเวลาเที่ยงคืนจึงลุกขึ้นจากที่นอนไปยังฝั่งแม่น้ําสละชีวิตของตนอย่างลงไปในห่วงน้ําซึ่งไหลลงไปในแม่น้ําใหญ่ฝากกระแสน้ําให้บุรุษนั้นขึ้นหลังของตน พาไปถึงฝั่งปลอบโยนให้พระลาผลเป็นต้นแล้วให้บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยช่วยเหลือเขาทุกอย่างนะสระชีวิตเขาห้ามหามาช่วยเหลือเขาการให้บุรุษของตนนั้นอ่ให้บุรุษนั้น่ะขึ้นหลังของตนอีกครั้งแล้วก็นําออกจากป่าไปส่งที่ทางหลวงการเป็นผู้ไม่กลัวไปเผชิญหน้ากับพระราชาสอดลูกสอนประทับยืนจ้องด้วยหมายว่าจักยิง แล้วโทนด้วยภาษามนุษย์ก่อนแล้วทําการต้อนรับอย่างละมนละม่อมก็แสดงว่าท่านฉลาดในการปฏิสันฐานแค่เรียกว่าพูดคุยกับศัตรูด้วยเมตตาจิตได้นะนะพูดคุยกับคนที่จะฆ่าเราด้วยด้วยเมตตาจิตเหมือนกับอะไรนะใครที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคงจะเห็นนะลูกถือถือมีดถืออะไรสักอย่างหนึ่งนะพ่อแม่ก็ไปพูดด้วยดีๆเนี่ยนะนะก็ใครที่ มีพรหมิหารอยู่ในจิตใจก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นผู้ที่มีใจใหญ่มีใจประเสริฐเนี่ยนะเมื่อมีใจใหญ่ใจประเสริฐก็สามารถพูดคุยถ้อยคําที่ไพเราะแก่ผู้ที่เป็นศัตรูได้การกล่าวรร ม, มักถากับพระราชาซึ่งมีพระประสงค์จะฆ่าบุรุษชั่วผู้ทําลายมิตรแล้วสละชีวิตของตนเองแล้วก็พ้นจากความตายอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ทําได้ยากนะถวายชีวิตของตัวเองให้แทน ให้แทนแก่คนที่จะถูกฆ่าขณะเดียวกันก็ทูลให้พระราชาพระราชทานทรัพย์แก่บุรุษนั้นตามที่ปฏิญญาเนี่ย น, นะเขาพระองค์ได้กล่าวว่าจะให้อะไรเขาก็ขอให้พระองค์ถวายสิ่งนั้นเถอการที่พระราชาทรงประทานพรแก่ตนจึงขอให้พระราชาประทานอภัยแก่สัพพษัตเนี่ย น, นะพรตัวนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าขอพรให้พระราชาเจริญด้วย บุญกุศลให้พระราชานั้นทำอภัยทานเธอการแสดงคำแก่มหาชนซึ่งมีพระราชาและพระเทวีเป็นประมุกให้ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นการให้โอวาดแก่เนื้อทั้งหลายที่ได้รับอภัยแล้วห้ามกินข้าวกล้าของพวกมนุษย์ขณะเดียวกันก็ไปสอนพวกเนื้อด้วยนะสอนพระราชาให้อภัยแก่พวกเนื้อแล้วก็ไปสอนเนื้อว่าอย่าไปเบียดเบียนวัตถุทั้งหลายข้าวของของมนุษย์นะ การทำหนังสือสัญญาของบรุษนั้นถาวรจนมากระทั่งถึงทุกวันนี้ด้วยประการชนิดเรียกว่าการเซ็นสัญญาก็มีตั้งแต่ยุคนั้นมา